ทุราแต่โทหาพระวาคืดหอและเรียนมายอดตู้ทุร ฮักพี่นั้นโทรมาบ่อยเห็นใจ ทำไมจึงหรือมีผู้ดักฟังบางหูให้ใจมีวังให้ชีวิตมีแรงใจอยากคุยนั้น นอกตัวนั้นคนเข้าคิ้วทาเอาไว้ ตัวนั้นคนบมียังคิ้วท่าเอาไว้